ราชามุขขังมนุษสานังแปลว่าพระราชาเป็นประมุขของประชาชนพระราชาครองรัฐบำบัดทุกบำรุงสุขถวยราชาศาสนาเป็นประมุขทานินปิณาราปวงประชาสุขสมแสนร่มเย็นอยู่ภายใต้ปกเกศเสวตชัดทั้งราชรัฐไร้ทุกข์ไม่ยุคเข็นทุกวันคืนชื่นฉ่ำพ้นลาเข็น กษัตริย์เป็นฉัดกั้นป้องกันภัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของกษัตริย์องค์แรกแห่งล้านนานะครับหรือว่าลานนาไทยหรือว่าดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยพระนางจามเทวีครับพระนางจามเทวีทรงมีชาติกาเนิดเป็นชาวลําพูนมาแต่เดิมเป็นบุตรของเศรษฐีชาวมอญ มีชื่อว่าอินตาส่วนมาดานั้นไม่ทราบชื่อทั้งสองเป็นชาวเมงคบุตรอาศัยอยู่ที่บ้านหนองดูอําเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระนางจามเทวีประสูติวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำเดือน5ปีมะโรงพุทธศักราช1176เวลาจวนจากค่ำเมื่อพระนางจามเทวีมีประชนมายุได้สามเดือนได้ปรากฏอภินิหาร ขณะที่พระนางกำลังประทับนอนบนเบาะปรากฏว่ามีพญานกตัวหนึ่งเข้ามาหาอาหารในบ้านแล้วก็โฉบลงมาจับตัวทารกน้อยไปในอากาศตอนที่บิดามารดาไปธุระพอดีกับที่ท่านฤาษีวาสุเทพแห่งนครเชียงใหม่กำลังบําเพ็ญตะบะอยู่ที่ดอยคำได้เห็นพญานกบินผ่านใช้กรงเล็บจิกร่างทารกน้อยคนหนึ่งไว้บินมาจากทิศที่ตั้งของเมืองลาพูน แล้วก็ปล่อยกุมารีตกลงมาในท่ามกลางต้นบัวในสระหลวงร่างของท่านางก็ค้างอยู่บนใบบัวเป็นที่น่าอัศจรรย์สุเทพฤศีจึงสการะอธิษฐานแล้วใช้วีหรือว่าพัดเนี่ยยื่นไปช้อนร่างทารกน้อยวัยสามเดือนแล้วก็น่าอัศจรรย์เมื่อทารกน้อยสามารถอยู่บนพัดนั้นได้อย่างง่ายดายท่านวานสุเทพฤศีจึงให้นามทารกหญิงนี้ว่าวี ซึ่งการเวลานั้นตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงปีมโรงพุทธศก 1,176 ขึ้น15ค่ำเดือน5เป็นวันพระหัสบดีท่านฤาษีก็ลองตรวจสอบดวงชะตากุมารีน้อยดูปรากฏว่าดวงชะตาของกุมารีนั้นเป็นที่แปลกประหลาดยิ่งนักทำให้ทราบว่าตามเกณฑ์เลขชะตา7ตัววันกำเนิดก็5ตัวเดือนก็5ปีก็5ยังขึ้น15ค่าอีกด้วยกุมารีนั้นตอนนั้น ชนะสาได้สามเดือนแล้วด้วยเหตุ น, นี้ท่านฤาษีก็เลยทำพิธีมงคลนามตามกำเนิดเพื่อเป็นสริมงคลแก่กุมารีน้อยโดยทราบโดยยานว่ากุมารีนี้เป็นบุตรีของชาวบ้านหนองดู่ซึ่งอยู่ในบุรพานาครต่อมาเปลี่ยนเป็นหาริพุญชัยท่านฤาษีก็มอบให้พยาวานนชื่อกากะวานนแล้วก็บริวัรรวมสาสิบห้าตัวช่วยเลี้ยงกุมารีน้อยนี้ที่สุวรรณบันพ แล้วก็สอนศิลปวิทยาให้จนกระทั่งอายุได้สิบสามรรษาเด็กสาวีก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากสามารถเรียนรู้สรรพวิชาต่างๆได้อย่างแตกฉนานทั้งวิชาตำรับพิชายสงครามยุทธวิธียุท ธ, ทธทศาสตร์ต่างๆทั้งวิชาการรบฟันดาบออกโล่ต่อมาฤาษีวาสุเทพก็ตรีรองดูดวงชะตาเด็กสาวีคนนี้แล้ว ก็เห็นว่าอนาคตอันใกล้นี้จะได้ไปเป็นใหญ่ในแคว้นแดนไกลจนกระทั่งเป็นเวลาที่จะได้มาช่วยอุปถัมภ์อริราชศัตรูนาแควนเขมรัสหรือเมืองลำพูนีท่านฤูษีจึงได้ทำพิธีประกอบนาวายนเนรมิตรให้เป็นแพรให้เด็กสาวีพร้อมทั้งกากะวานอนแล้วก็บริวานรวมสามสิบห้าตัวนี่ล่องแพรไปตามลำน้ำระมิงหรือว่าแม่น้าปิงล่องมายัางกรุงลาวโหรือว่าลบบุรี การเวลาล่วงมานับเดือนเมื่อเด็กสาวล่องแพรไปตามน้ําถึงท่าฉนวนหน้าวัดเชิงท่าตลาดลบบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแพรเนรมิรก็ลอยวนไม่เคลื่อนที่ไปทางไหนจนกระทั่งถึงเวลาเชา้าเมื่อประชาชนชาวลาโว้ได้เห็นอย่างนั้นก็โจดขานกันอึ้งขนึงไปทั่วว่ามีเด็กผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวหน้าตาสะสวยผิดแปกไปจากเด็กสาวทั่วไปแล้วก็มีบริวารเป็นลิงสามสิบห้าตัว มาอยู่ในแพรที่หน้าเมืองประชาชนชาวเมืองละโวต่างก็พยายามดึงแพรเข้าฝั่งดึงยังไงก็ไม่เป็นผลสําเร็จความทราบถึงบรรดาขุนนางก็ได้รับทราบถึงพระเจ้านภรัตผู้ครองกรุงละโว่พร้อมด้วยพนางมัณฑนาเทวีกษัตริย์ทั้งสองเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นความเป็นไปทั้งหมดก็มีรับสั่งให้ทหารที่ตามเสด็จชะลอแพเนรมิตรเข้าสู่ฝั่งเหตุการณ์ประหลาดก็บังเกิดขึ้นกําลังของเหล่าทหารไม่อาจจะชักลากแพรเข้าสู่ท่าน้ําได้ ไม่ว่าพระองค์จะทรงมีรับสั่งให้เพิ่มจำนวนทหารมากสักขนาดไหนก็แล้วแต่ก็หาได้สำเร็จไม่เมื่อพระองค์ทรงประจักษ์ด้วยพระปีชายานว่าแพรนี้คงจะเป็นแพรวิเศษพระองค์พร้อมด้วยพระมเหสีก็ทรงยึดเชือกที่ถูกผูกแพรนั้นไว้ด้วยพระหัตของทั้งสองพระองค์เหตุอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นแพนั้นก็กลับลอยเข้าสู่ท่าน้าได้อย่างง่ายดายเมื่อพระเจ้านภรัตและพระนางมัทนาเทวี ทรงรับเด็กสาววีมาเป็นธิดาได้สามวันก็จัดให้มีงานฉลองและเจิมพระหวัญพระราชธิดาแต่งตั้งให้เป็นเอกราชธิดาแห่งนครลโวโแล้วให้ปุโรหิตจารึกพระนามลงในแผ่นสุพรรณบัตรว่าเจ้าหญิงจามเทวีสีสุริยวงศ์บรมราชขาติยานารีรัตนกัญญาละวะบุรีราเมศวนเป็นราชธายาธแห่งนครลโวโ ด้วยพระสิริโฉมงดงามพร้อมนั่งเจนจบในวิชาการสำหรับราชวงศ์ทั้งสูงกิติศัพท์ของพระนางจา ม, มาเทวีเรื่องลือไกลไปทั่วทุกทิศฝ่ายพระมหาอุปราชแห่งกรุงลาโวโอเมื่อได้ใกล้ชิดกับพระนางจา ม, มาเทวีก็เกิดปฏิพัฒน์หลงไหลในความงามของพระนางเป็นยิ่งนักด้วยทรงมีสิริโฉมงดงามจะหาหญิงใดเทียบเคียมไม่มีครั้นเมื่อพระนางจา ม, มาเทวีพระชนมายุได้ยีส่สิบป a n s วันพระรหัสสุบรีขั้งขึ้นเดือนหก ชาวกรุงลาโว่ก็มีพระราชพิธีอันเป็นมงคลที่สําคัญคือพระราชติอภิธีมั่นระหว่างเจ้าชายรามราชกับเจ้าหญิงจามเทวีในวันรับมั่นก็มีมโหรสพสมโพชอย่างเอื้อกริกบรรดาเจ้าเมืองทั้งหลายก็พร้อมใจกันส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายเป็นเกียรติกันอย่างมโหูานด้วยความงามของพระนางจามเทวีเรื่องลือไปทุกแวนล่วงรู้ไปถึงพระกันเจ้าชายผู้เป็นราชโอรส พระเจ้ากรุงโกสัมพีอของพมา่าก็เกิดลหลงไหลพอใจในตัวพระนางจามเทวีเป็นอย่างมากจนพระราชบิดาต้องแต่งเครื่องบรรณาการให้อมัดเชิญพระราชสารมาสู่ขอพระนางจามเทวีโดยที่ไม่รู้ว่าเจ้าหญิงทรงมีคู่มั่นแล้วขณะนั้นเจ้าหญิงทรงรับมั่นกับเจ้าชายรามราชแล้วก็ตัดสัมพันธ์ปฏิเสธการรับมั่นจึงสร้างความแค้นในพระทัยให้กับฝ่ายโกสัมพี เป็นชนวนคิดการที่จะก่อศึกยังไม่ทันมีพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายรามราชกับพระนางจา ม, มาเทวีประมาณเดือนอ้ายปลายปีพุทธศักราช1196พม่าเมืองโกสัมพีก็ยกทัพใหญ่พังพร้อมไปด้วยพระประยูรยาตคือฝ่ายนครกลิงครัชก็รวมกำลังทั้งหมดเป็นทัพกษัตริย์เข้าบุกละโวแม้ทัพก็ล้วนแต่เป็นราชโอรสรา ช, ชนะ ด, ดาหรือว่าเจ้าผู้ครองทั้งสิน้น ทุ ก, กองทัพก็มีทั้งกองหน้ากองหลวงกองหลังอย่างเต็มอัตราศึกทั้งทัพโกสัมพีและทัพกระลิงครัตก็พุ่งเข้าโจมตีนครรามบุรีอย่างบ้าคลั่งสุดที่เจ้าชายรามราชจะต้านทานศึกอันใหญ่หลวงนี้ได้ในการรบพุ่งกับพมา่าเจ้าชายรามราชไม่สามารถจะทานกำลังเมื่อเป็นอย่างนี้พระนางจามาทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ด้วยเกรงว่าหากปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยาถากรรมแล้วก็ตกอยู่ในภาวะอันตรายต่อไปอีกทั้งเจ้าชายรามราชก็ทรงเป็นพระคู่มัน่นเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้หากคู่มั่นพ่ายแพ้พระนางจะดูหน้าใครได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวพระนางจา ม, มาเทวีจึงอาสาออกสู้ศึกครั้งนี้ด้วยพระองค์เองการอาสาออกสึกอย่างไม่กลัวตายของพระนางจา ม, มาเทวีเช่นนี้ทางฝ่ายพระบิดาและพระมารดาก็ต่างทักท้วงห้ามปราม แต่ว่าพระนางจามเทวีตั้งใจเด็ดเดี่ยวในการอาสาสู้สุกอย่างหานกล้าไม่กลัวตายสุดที่พระบิดาพระมารดาจะทับฐานได้ก็มอบหน้าที่ให้พระนางจามเทวีเป็นแม่ทัพออกสึกสงครามกับพมา่าด้วยยอมจำนนต่อเหตุผลของท่านวาสุเทพฤษีที่ว่าพระราชธิดานี้จะมาช่วยกำรับอริราชศัตรูพระนางจามเทวีรับสั่งให้ขุนสึกทั้งหลายเตรียมทัพ และให้พี่เลี้ยงทั้งสองจัดทัพหน้าหญิงห้าร้อยคนชายหนึ่งันคนกับกากะวานอนแล้วก็วานอนที่ติดตามมาตั้งแต่ารามิงนครทั้งส5สิบห้าตัวทุกชีวิตในกองทัพพร้อมใจปลีชีพเพื่อปิตุภูมิแล้วต่างมั่นใจในพระนางจามาทีวีที่จะเป็นผู้นำบทขยี้ค่าศึกให้เป็นผลสำเร็จพระนางก็พร้อมที่จะปรีชีพแล้วก็ประกาศกล้องว่าเพื่อปิตุภูมิของเรา เราจะขอทำหน้าที่และยอมสละชีวิตก่อนท่านทั้งหลายแล้วศึกครั้งนี้หนักนักเป็นศึกกษัตริย์อันไม่ควรจะพบบ่อยครั้งนักบรรดาแม่ทัพของเขาก็ล้วนแต่เป็นโอรสและราชนัน ด, ดาของนครต่างๆทั้งโกสัมพีและกะลิงครัฐถ้าผู้ใดไม่เต็มใจที่จะไปราชการรบด้วยเราครั้งนี้เราก็จะไม่เอาโทษทันประการใดก็จะปลดปล่อยให้ไปแต่ว่าทุกคนต่างพร้อมใจที่จะพลีชีพเพื่อบ้านเมือง การเดินทัพเป็นไปแบบทั้งกลางวันและกลางคืนครั้นเดินทัพมาใกล้นครเขือนขันหรือว่ากำแพงเพชรกองสอดแนมซึ่งพระนางจา ม, มาทีวีได้ส่งไปล่วงหน้าก็กลับมาทูลว่าเจ้าชายรามราชซึ่งเป็นคู่มั่นนี่เจอศึกหนักผู้คนล้มตายจํานวนมากใกล้จะสูญเสียเมืองแล้วจากนั้นพระนางจา ม, มาทีวีก็ส่งอักษรไปยังพระคู่มัน่นโดยให้อพยพชาวเมืองลงมาก่อนแล้วพระนางจะออกรับศึกที่ไล่ติดตามมาเอง ด้วยความเฉลียวฉลาดพระนางจา ม, มาเทวีเกรงว่าการสู้รบกันซึ่งซึ่งหน้าครั้งนี้จะต้องเสียเปรียบอย่างแน่นอนก็เลยคิดอุบายหลอกล่อหน่วงเหนียวการศึกให้นานออกไปเพื่อให้สเสบียงอาหารฝ่ายตรงข้ามร้อยหรอลงเมื่อข้าศึกอ่อนกำลังแล้วค่อยโจมตีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพระนางจา ม, มาเทวีคิดการหลอกล่อฝ่ายตรงข้าม โดยทรงพระอักษรขึ้นหนึ่งฉบับแล้วส่งให้โอรสแห่งโกสัมพีในสารนั้นมีข้อความว่าสงครามครั้งนี้เหตุก็เกิดมาจากเรื่องส่วนตัวระหว่างเจ้าพี่กับหม่อมชันไม่ควรที่จะให้ชีวิตของทวยราษฎรทั้งหลายจะต้องมาล้มมาตายกันจะเป็นที่ขรหานินทาแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเปล่าๆขอเชิญเจ้าพี่แต่งกายทหารมาทาการสู้รบกันตัวต่อตั ว, ตวให้เป็นขวัญตาแก่ไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินเถิด เมื่อจอมทัพแห่งโกสัมพีรับพระราชสารจากพระนางจามาทีวีก็ทรงทราบว่าสตรีที่ตัวรักอยู่นั้นกลายเป็นผู้นําทัพที่จะต้องมาประหัดประหารกันก็ทําให้พระองค์วิตกไปต่างๆนาน า, นาแล้วก็ยังทรงทราบว่าสตรีที่ตัวหลงรักนั้นเป็นสิทธิ์พระฤาษีเก่งกล้าวิชาอาคมยิ่งนักจากนั้นอีกสองวันทั้งสองฝ่ายก็จัดแม่ทัพอ อ, อกสู้กันตัวต่อตั ว, ตวสู้กันไปได้หกวันการต่อสู้ต่างก็สูญเสียกันไปไม่ใช่น้อย ล่วงเข้าวันที่เจ็ดแห่งการสู้รบเมื่อเจ้าชายกัวสัมพีกับพระนางจา ม, มาเทวีได้เผชิญหน้ากันปรับทําให้เจ้าชายตกตะลึงเมื่อพบกับแม่ทัพหญิงผู้เลอโฉมงดงามเกินสตรีใดๆปรากฏในชุดนักรบวิจิตรแพรวขณะที่ทางเจ้าชายกสัมพีตะลึงงันอยู่นั้นเจ้าหญิงผู้เลอโฉมก็เชื้อเชิญให้เจ้าชายมาประลองฝีมือกันฝ่ายเจ้าชายไม่เห็นว่าจะต้องมาสู้รบกับสตรีเพศก็ลังเลพระทยัย แท้จริงแล้วเจ้าชายต้องการจะสู้รบประขุนสุดที่เป็นชายเมื่อชนะแล้วก็จะได้พระนางจา ม, มาเทวีเป็นของตัวอย่างง่ายได้เจ้าชายกลัวสำเพอทรงได้เห็นความเก่งกาจหานกล้าของพระนางจา ม, มาเทวีพร้อมทั้งคารมคมคายเชื่อเฉือนบุรุษนักรบว่าถ้าหากว่าเจ้าชายสู้ตนไม่ได้ตนสามารถเอาชีวิตเจ้าชายได้ถ้าเจ้าชายหัวขาดเพราะสู้ตัวไม่ได้ก็โปรเอาหัวสิให้ด้วย เมื่อพระองค์ได้ฟังก็ทรงแครนพระไทยถือว่าหยามเกียรติชายชาตินักรบก็ทรงตัดสินพระไทยประลองยุทธโดยทันทีในที่สุดเจ้าชายโกสัมพีก็พลาดพลั้งถูกพระนางจามาเทวีฟันเฉียวเอาผ้าโพกศีรษะแล้วก็พระเกศขาดกระจุยต้องล่าถอยทัพกลับไปเมื่อฝ่ายละโวเป็นฝ่ายได้เปรียบพระนางจามาเทวีก็วางแผนโจมตีทะลวงข่าสึกให้ย่อยับส่วนฝ่ายเจ้าชายโกสัมพีก็คิดแครนพระไทยที่ต้องมาเสียรู้ฝ่ายสตรี ก็คิดจะโจมตีให้แตกหักเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายต่างสู้รบโจมตีประหัดประหารกันอย่างไม่ยัง้งฝ่ายทัพเจ้าชายโกสัมพีเสียทีเมื่อเสียกระบวนรบแตกร่นไม่เป็นกระบวนมิทันที่เจ้าชายจะทันตั้งตัวเพราะว่าห่วงหน้าพระวงหลังเจ้าชายก็ถูกดาบของพนางจามาทีวีเฉียวพระกรจนพระโลหิตน้กระเด็นศึกครั้งนี้สร้างความพ่แพ้แก่กองทัพโกสัมพี ด้วยความอับอายและเสียพระไทยต่อความพ่ายแพ้อิสตรีเจ้าชายก็เอาพระแสงดบับเชื้อพระสอพระองค์เองจนสิ้นพระชนเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองคลี่คลายลงแล้วขณะนั้นพระนางจามเทวีมีพระชนอายุได้ยี 22, สบสองพรรษาพระนางจามเทวีกับเจ้าชายรามราชก็ทรงอภิเสกสมรสกันซึ่งตรงกับวันข้งขึ้นเดือนหปีขานพุทธศักราชหนึ่งพันร้้าสิบแนพระราตรี ภิเศษสมรสผ่านพ้นไปสามวันเจ้าชายรามราชก็ขึ้นถเหลิงราชสมบัติครองกรุงละโวฝ่ายนาครลำพูนอันเป็นถิ่นกำเนิดเดิมของพนางจามาทีวีบ้านเมืองเกิดล่มสลายเพราะว่าเจ้าผู้ครองนครมิได้ อ, อยู่ในทศพิษราชธรรมท่านวาสุเทพฤษีคิดไตรตรองถ้าหากปล่อยปลาละเลยบ้านเมืองถึงการล่มสลายเป็นแน่ก็คิดสร้างนาครใหม่ในที่สุดท่านวาสุเทพฤษี ก็ระลึกถึงบุตรบุญธรรมคือพระนางจา ม, มาเทวีเห็นสมควรให้พระนางกลับมาปกครองอย่างบ้านเกิดเวลานั้นพระนางจา ม, มาเทวีกำลังทรงพระคันได้สามเดือนถึงข่าวพระนางจา ม, มาเทวีต้องพลัดพรากพระสวามีอันเป็นที่รักยิ่งชั่วนิรันด์เมื่อการกลับเป็นอย่างนี้เจ้าชายรามราชก็ทรงออกผนวดส่วนพระนางจา ม, มาเทวีก็ทรงสเสด็จจากละโว ข, ขึ้นมาครองราชที่เมืองหริภุญชัยเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ถวยราชต่อไป พระนางจามาทวีปกครองเมืองหริภุญชัยหรือว่าลำพูนได้ไม่นานก็ประสูติพระราชโอรสสองพระองค์องค์พี่ทรงพระนามว่ามหันตยศองค์น้องชื่ออนันตยศเมื่อพระกุมารทั้งสองมีประชนมายุได้เจ็ดปันสาพระกุมารมหันตยศก็ได้ราชาพิเศษในราชสมบัติเมื่อบ้านเมืองมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นแล้วกอบทั้งพระนางจามาทวีได้สะสมกองการกุศลเป็นอเนกอันันตในพระพุทธศาสนา ไพร่ฟ้าประชาชนต่างพร้อมใจศรัทธาชักชวนกันสร้างวัดมีจำนวนถึงสองพันวัดด้วยคุณงามความดีของพนังจา ม, มาเทวีทวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บรรดานให้ช้างเผือกดังเงินยวงงาเขียวเป็นช้างประเสริฐเชือกหนึ่งปรากฏตัวอยู่ในบริเวณเขาอ่างสลุงคือดอยหลวงอำเภอเชียงดาวช้างสาคัญ น, นั้นเดินทางมาถึงตำบลสวนพนันซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองลำพูน ช้างเชือกนี้คนเมืองเรียกว่าช้างอ้า่ก่ำนาเขียวความจริงแล้วเป็นช้างเผือกงาดำต่อมาขุนวิรังคะกษัตริย์ผู้นำแห่งล้วครองอาณาจักรดอยสุเทพเกิดต้องพระไทยพระนางจา ม, มาเทวีอยากได้พระนางไปเป็นไม่เหสีแต่พระนางปฏิเสธผัดผ่อนวงเวลามาได้ถึงเจ็ดปีจนในที่สุดขุนวิรังคะสิ้นอดทนทางไมตรีก็คิดจะหักหานเราด้วยกาลังพล ก็เกณฑ์นมูบริวานทั้งตัวได้แ0ดหมื่นคนยกทัพมาประชิดเมืองลำพูนฝ่ายลำพูนก็เตรียมยันทัพล้วพร้อมทั้งประดับประดาพญาสเสวตโคจสารตัวสำคัญคือชาอ่างผู้กางาเขียวทัพครั้งนี้พระนางจมามเทวีได้ให้พระโอรสคือเจ้ามหันตยศทรงขึ้นคอโคจสารให้เจ้าอนันตยศเป็นส่วนกลางช่างด้วยเพราะบุญญาธิการของพญาช่าง ทั้งสองฝ่ายเมื่อได้สับประยุทธ์กันในที่สุดกองทัพขุนวิรังคะก็ถึงแก่การปราชัยช้างเชือกสำคัญของพระนางจมามเทวีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผู้ก่ำ ง, งาเขียวนี้เมื่อเวลาช้างลม้มถ้าหันหัวด้วยว่าปลายงาชี้ไปทางใดผู้คนพลเมืองจะล้มตายไปสิน้นตอนฝังจึงต้องฝังนั่งเอาหน้าและงาเงยขึ้นสู่ฟ้าชูปลายงาขึ้นแล้ว็ออิถือปูนเป็นวงกลมรอบด้านไม่มียอดแหลมอย่างเกดีทั่วไป มีการเส้นไหว้สักการะบูชาชาวลําพูนถือเป็นช่างศักดิ์สิทธิ์เป็นช่างเผือกพลายที่มีงาเป็นสีประหลาดเหมือนสีขี้มา้าหลังจากพิธีอภิเษกครองเมืองของพระนางจามาทีวีแล้วประมาณหนึ่งเดือนสาธุเจ้าโสนันโทซึ่งเป็นฤาษีทราบว่าเมืองหริพุนชัยมีเจ้าผู้ครองนครเป็นอิสตรีเกรงไปว่าบ้านใกล้เมืองเคียงที่ตั้งอยู่รอบข้างจะขาดความยำเกรงต่อเดชะบรารมี และประชาชนก็จะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนที่สําคัญคือพระนางจา ม, มาเทวีนั่นก็เป็นผู้ที่มีสิริโฉมงดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของบุรุษเพศที่ได้พบเห็นประกอบกับพระสวามีก็ไม่ได้มาอยู่ร่วมกันอาจจะเป็นสาเหตุให้เจ้าเมืองใกล้เคียงซึ่งเป็นบุรุษเพศมาล่วงเกินเอาตามอํานาจของกามตัญหาโดยไม่คํานึงถึงศีลธรรมบ้านเมืองก็จะไม่สงบสุขเกิดศึกสงครามถึงลบราข่าววันกันเป็นแน่ด้วยเหตุและผลที่คาดเอาไว้จึงได้คิดสร้างพระ เพื่อปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยเหล่านี้จึงคิดสร้างพระพุทธรูปอันหมายถึงตัวแทนองค์พระพุทธเจ้าซึ่งควรจะมีขนาดเล็กสะดวกในการอาราธนาติดตัวไปในที่ต่างๆสาธุเจ้าสุพรมนอินโทแห่งดอยเขาพระงามเวียงละกอนได้เป็นผู้ออกแบบพระที่จะสร้างสาธุเจ้าขัตติยะเขาสมอคอนเมืองละโวเป็นผู้ที่มีฝีมือทางช่างแกะแบบพิม สาธุเจ้าสุเทวะจึงให้ชื่อพระนี้ว่าพระรอดการไปขุดดินพระนางจามเทวีนิมนต์ครูบาสังฆะสี่องค์ไปพร้อมกับเสนาอมาตจํานวนหนึ่งไปประกอบพิธีแล้วนิมนต์ครูบาทั้งสี่องค์ทําพิธีสวดชัยมงคลคาถาโดยให้เหล่าเสนาอมาตช่วยกันหาผาดินที่ถูกขุดขึ้นมาเมื่อได้ดินเพียงพอกันตามความต้องการแล้วเหล่าเสนาอมาตจะช่วยกันหาบหามดินเดินทางมายังคุ้มของพระนางจามเทวี ดินนั้นจะถูกนำมาเกลี่ยตากแดดให้แห้งสนิบทบดโม่ทับจนเป็นผงละเอียดผสมด้วยว่านอีกสามสี่อย่างขณะที่คลุกเคล้าจะมีการสวดมนต์ภาวนาบริกรรมคาถากำกับไปด้วยจนดินกับว่านเข้ากันสนิทจึงนำไปใส่หม้อแช่หมักไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือนจึงนำดินผสมว่านมากดเข้าพิมพ์พระรอดวิธีกดพิมพ์พระรอดนั้นได้จัดสร้างประพิธีขึ้นในบริเวณคุ้มพระนางจามเทวีก่อนจะเริ่มกดพิมพ์พระรอด ก็มีการสวดมนต์ประพรมน้ำมนต์ไปทั่วบริเวณพิธีใช้เวลากดพิมพ์ทั้งสิ้นหนึ่งเดือนเก้าวันได้พระรอดแ0 0 0มื่นองการสวดมนต์นี้พระสงค์มีการผัดเปลี่ยนกันเป็นเวลาห้าวันห้าคืนหลังจากนั้นก็ปล่อยพระรอดที่ผ่านการเผาให้คลายความร้อนแล้วประพรมด้วยน้ำสุคนธรสแล้วจึงนำไปไว้ที่คุ้มพระนางจามาเทวีเพื่อรอการอบอธิษฐานต่อไปก่อนจะนำไปเก็บในที่รักษา ท่านสาธุโสนันโทรพร้อมด้วยสหายธรรทั้งสามท่านก็ทําการปกป้องพระรอดทั้งหมดการประกอบพิธีทั้งหมดเป็นไปอย่างเข้มขลังเมื่อกระบวนการพิธีต่างๆจบสิ้นแล้วก็ได้มีการนําพระรอดออกมาแจกจ่ายแก่เหล่าเสนาอามาตย์และชาวบ้านชาวเมืองที่มาร่วมทําบุญและช่วยเหลือในงานพิธีโดยส่วนหนึ่งได้นําไปบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดมหาวันพร้อมกับคําสาปแช่งของพนางจา ม, มาทีวีหากใครคิดหมายลักขโมยไปเป็นสมบัติทั้งตัว จะพบแต่ความมิบัติพระรอดอีกจำนวนหนึ่งจำนวนห้าพันองค์ได้ทำพิธีบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินภายในบริเวณวัดมหาวันแล้วได้ผูกพยนไว้คุ้มครองรักษาด้วยถ้ามีผู้ใดไปขุดค้นเอาเพื่อจะเอาพระจะต้องถูกพยนอาคมตัดเอาร่างกายขาดเป็นท่อนจำนวนพระรอดจำนวนห้าพันองค์นี้รักษาไว้เพื่อคุ้มครองนครหริพุนชายให้มีความสุขร่มเย็นแกอนาประชาราศของเมืองนี้ ในบ้านปลายแห่งประชชนชีพของพระนางจามาเทวีภายหลังจากที่บ้านเมืองสงบสุขแล้วพระนางได้สละราชสมบัติให้พระราชโอรสทั้งสองครองเมืองสืบต่อโดยให้เจ้ามหันตยศผู้พี่ครองเมืองหริภูญชัยส่วนเมืองลำปางพระนางจามาเทวีให้เจ้าอนันตยศผู้น้องไปครองถึงวันขึ้นสองค่ำเดือนสิบปีมะโรงพุทธศักราชหนึ 1, พระนางจามาเทวีซึ่งเวลานั้นมีพระชนมายุได้หกสิบพรรษาแล้วจึงทรงละจากการกำกับดูแลราชการแผ่นดินทั้งปวงและได้ทรงสละเพศเป็นชีขาวเสด็จไปประทับทรงศีลที่วัดจามาเทวีจนกระทั่งถึงวันขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าพุทธศกราชหนึ่งพันสองเจ็ดสิบสี่แม่ชีจามาเทวีก็สิ้นพระชนม์อย่างสงบขณะทรงบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานโดยปราศจากโรคใดๆ สิริพระชนมายุได้9 8้าสแพันปาและได้มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระนางจา ม, มาเทวีเมื่อวันแรมสาค่ำเดือนหปีว อ, อกพุทธศักราช 1,270 นเณเมรุวัดสันป่ายางหลวงพระเจ้ามหันตยศพระราชอโอรสโปรดกล้าวให้จัดพิธีบูชาสักการะพระศพเป็นเวลาเจวันแล้วขอพระเมรุมาตรสำหรับถวายพระเพลิงพร้อมทั้งมีดุริยดนตรีฟ้อนราประโคมเป็นเวลาถึง7วัน จากนั้นดับพระเพลิงด้วยน้ําหอมหลังจากเสร็จพิธีถวายพระเพลิงพระนางจามเทวีแล้วก็อัญเชิญพระบรมอัฐิธาตุเข้าบรรจุในพระเจดีย์สุวรรณจังโกรซึ่งประดิษฐานอยู่ณนะวัดจามเทวีแม้ว่าพระนางจามเทวีจะสิ้นพระชนม์ชีพกว่าพันปีแล้วก็ตามแต่ทว่าทั้งชาวลําพูนและชาวไทยทั่วประเทศไม่อาจจะลืมคุณงามความดีของพระองค์ ทุกวันนี้ณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีบริเวณสวนสาธารณะหนองดอกจังหวัดลําพูนจึงเต็มไปด้วยควันธูปกลิ่นเทียนดอกไม้ของปวงชนจากทั่วสารทิศที่มาสักการะบูชากันอย่างไม่ขาดสายส่วนปัจจุบันนี้โบราณสถานโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระนางจามเทวีมีอะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยวพักสักครู่ครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ตอนขุนวิลังคะพุ่งสเนาวหรือ ว, ว่าพุ่งหอกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์จากตำนานฉบับพระมหาหมื่นเริ่มด้วยเหตุการณ์ขุนวิลังคะท่งทูตมาขอพระนางจา ม, มาเทวีจนกระทั่งพระโอรสทั้งสองทรงช้างผู้ก่ำอาเขียวออกรบเอาชนะแต่ช่วงก่อนที่จะรบกันนั้นก็มีการประชันกันระหว่างฝ่ายลัว กับฝ่ายลําพูนถ้าลําพูนแพ้ก็ให้พระนางจามาเทวียอมเป็นพระมเหสีลําดับแรกให้อวัวมาชนกันฝ่ายพระนางจามาเทวีก็ทําอุบายให้วัวฝ่ายล้วะแพ้ลําดับที่สองฝ่ายล้วะก็เอาไก่สามเดือยมาท่าชนพระนางจามาเทวีก็ให้เทโอยักษ์นิรมิตไก่เจ็ดเดือยไปสู้ไก่ล้วะก็แพ้อีกลําดับที่สามล้วะก็เอาคนผมยาวมาประชัน พระนางก็ให้เทโอยักษ์จำแรงเป็นคนผมยาวกว่าได้อีกไม่ว่าขุนวิรังค่าจะหาสิ่งใดในเมืองล้วที่ว่าแปลกประหลาดพิสดานก็เป็นอันแพ้หริพูลชัยหรือว่าลำพูนขุนวิรังค่าก็เอาซนาหรือว่าหอกเล่มหนึ่งใหญ่ประมาณแปคืบซัดลงมาจากดอยสุเทพมาตกทางทิศเหนือของลำพูนพระนางจำมาเทวีไม่เห็นกาลังขุนล่วอย่างนั้นแล้วก็รับสั่งให้เอาพระนุ่งชั้นใน สักฟอกจนขาวนำไปตัดเย็บเป็นหมวกประดับด้วยทองคํากับอั ญ, ญมณีต่างๆแล้วส่งไปถวายขุนวิลังคะขุนวิลังคะพอได้หมวกก็ดีใจนึกว่าพระนางทรงมีใจด้วยก็สวมหมวกหมวกกางเกงในอะแหละแล้วก็พุ่งสนอเอาอีกทีหนึ่งเสนอเอาไปไม่ถึงไม่พ้นดอยสุเทพเลยคราวนี้เพราะว่าอาคมถูกทําลายซะแล้วก็เลยยกทัพมาชิงเมืองแล้วก็ต้องพ่ายแพ้พระโอรสพระนางจา ม, มาเทวีดังกล่าว ตำนานเรื่องขุนวิลังคะพุ่งสเสนาวนี้ทุกฉบับว่าไว้ละเอียดเหมือนกันคือพระนางตรัสว่าบุรุษใดสามารถพุ่งสเสนาจากดอยสุเทพเมืองเชียงใหม่มาตกกลางเมืองลำพูนได้แล้วพระนางจะยอมเป็นพระมเหสีแล้วก็ยกเมืองลำพูนให้ครองอีกด้วยขุนวิลังคะก็เลยลองพุ่งสเสนาวครั้งแรกมาตกมาถึงสถานที่ที่เรียกกันว่าหนองสเสนาในเวลานี้คือใกล้เคียงมากกับใจกลางเมืองลำพูน พระนางจำมาเทวีเห็นอย่างนั้นก็รับสั่งให้นำของสกรปรกต่างๆมาย่อยรวมกันแล้วนำมาขึ้นรูปหมวกระดับด้วยทองคำอั ญ, ญมณีต่างๆส่งให้ขุนวิรังคะพร้อมกับให้ทูตไปแจ้งว่าขอให้ขุนวิรังคะรับหมวกนี้แล้วจงพุ่งเสนาว์ให้มาตกกลางเมืองลำพูนได้เหมือนกันสามครั้งขุนวิรังคะก็ได้ครองพระนางและหริพุนชยัยความเป็นไปก็เหมือนกับตำนานฉบับพระมหาหมื่น คือเมื่อสวมหมวกแล้วขุนมิรังคะก็ไม่สามารถพุ่งสเนาไปพ้นเชิงดอยสุเทพได้ครั้งที่สองก็ไปตกที่เก่าขุนลัวก็เกิดความอับอายยิ่งนักก็หนีไปตายเสียในขุนน้ำรามิงทีนี้เราจะมาพูดถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระนางจมามเทวีวัดพระธาตุท่ริพุนชัยวรมหาวิหารอันนี้ตั้งอยู่กลางเมืองลาพูนเลยมีพื้นที่ประมาณยี่สิบแปดไร่ สร้างขึ้นโดยลูกหลานของพระนางจามเทวีสมัยพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ดมีพระบรมธาตุริพุนชัยเป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งของนครหาริพุนชัยถือเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวลำพูนภายในพระบรมธาตุมีพระเกศบรรจุอยู่ในพระโกรทองคำมีรั้วกั้นแข็งแรงสี่ด้านภายในรั้วเหล็กนั้นห้ามสุภาพสตรีเข้าไป มีสัมภาวทรงประดิษฐานอยู่ประจำชั้นนอกทิศเหนือทิศใต้มีซุ้มกลุมพันและฉัตรประจำสี่มุมต่อไปวัดจาาเทวีพระเจดีกูกุตอันนี้ตั้งอยู่ริมถนนจามเทวีถนนในเมืองเป็นฝีมือช่างละโวที่ประนางจาาเทวีนำไปจากละโวลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดียแต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประธานพร ภายในก็บัรจุอัฐิของพระนางจามเทวีผู้สร้างพระเจดีและวัดนี้ก็คือพระเจ้ามหันตยศและพระเจ้าอนันตยศพระโอรสของพระนางจามเทวีเองสร้างเพื่อบัรจุอัฐิของพระนางเดิมเจดีย์มียอดหุ้มด้วยทองคาต่อมายอดเจดีย์หักหายไปชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่ว่าวัดกู่กุดแต่ชื่อเป็นทางการจริงๆของพระเจดีย์ก็คือพระเจดีสุวรรณจังโกด ต่อไปวัดดอนแก้ววัดนี้เดิมมีชื่อว่าวัดอรัญญิกธรามวนารามเป็นวัดสําคัญและเก่าแก่มากอยู่ตะวันออกของเมืองลําพูนวัดพระคงฤาษีเดิมชื่อวัดอภัตตารามอยู่ทางทิศเหนือห่างจากประตูเมืองประมาณสิบเมตรอยู่หลังสถา น, นีตํารวจปูทอนยี่หวัดลำพูนพระนางจามเทวีโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระภิกษุที่มาจากลังกาใช้เป็นที่พำนักและบําเพ็ญสมณธรรมเป็นที่บรรจุพระคง ตามตำนานกล่าวว่าฤาษีวาสุเทพได้ใช้ไม้เท้ากรีดพื้นเพื่อเขียนแผนผังเมืองลำพูนตรงพระเจดีย์นี้พระนางจามาทีวีจึงทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วให้ในายช่างแกะสลักเป็นรูปพระฤาษีทั้งสี่ตนไว้แต่ละตนถือไม้เท้าในมือรูปปั้นแกะสลักฤาษีสร้างด้วยศีลาแลงเมื่อทำเสร็จแล้วก็ไปบรรจุไว้ภายในซุ้มประตูทั้งสี่ด้านของพระเจดีย์นี่ชื่อวัดพระคงฤาษีต่อไปวัดประตูลี หรือว่าวัดมหารัตนารามตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้ส่วนอีกวัดก็คือวัดมหาวันหรือว่าวัดมหาวานารามตั้งอยู่ใกล้คูเมืองด้านทิศตะวันตกห่างจากตัวเมืองลำพูรนร า, าวๆสองกิโลเมตรอยู่ที่ถนนจาำเทวีในเกขตเมืองลำพูนวัดมหาวันนี้สร้างขึ้นสมัยพระนางจาำเทวีครองหริพุนชัยเมื่อพระนางจามเทวีสเสด็จมาครองเมืองก็พาพระพลที่มีความรู้สาขาต่างๆพร้อมกับพระสงฆ์ประมาณห้าร้อองค์มาด้วย พร้อมท้งอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญอีกสององค์คือพระแก้วขาวหรือพระเสตังคมานีและพระศิลาดำเมื่อถึงหริพุนชัยพระนางจามาทีวีก็โปรดให้สร้างวัดมหาวันเพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์และนําพระศิลามาประดิษฐานไว้ด้วยส่วนพระแก้วขาวนั้นพระเจ้าเมงรายได้อัญเชิญไปเป็นพระพุทธรูปประจําพระองค์แล้วก็ประดิษฐานไว้ที่วัดเชียงมั่นในจังหวัดเชียงใหม่จกนกระทั่งถึงปัจจุบันต่อมาหริพุนชัยเกิดสงครามกับขุนวิลังคะ พระฤาษีจึงใช้พระศิลาดำเป็นต้นแบบสร้างพระเครื่องแจกจ่ายชาวเมืองเพื่อใช้ออกศึกพระเครื่องส่วนที่เหลือก็บรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดมหาวันการต่อมาเมื่อเจดีย์บรรจุพระหักพังลงชาวบ้านจึงพบพระเครื่องที่เก็บไว้ต่างนำไปบูชาแล้วก็พบกับอิธิปาฏิหาริย์ต่างๆพระเครื่องเหล่านี้ก็คือพระรอดมหาวันที่โด่งดังนั่นเองส่วนต่อไปก็คือกู่ช้างกู่มาอันนี้ ตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัดไก่แก้วห่างจากตัวเมืองประมาณสองกิโลเมตรกู่ช้างเป็นสุสานช้างศึกคู่บา ร, รมีของพระนางจามเทวีชื่อผู้กำมงาเขียวส่วนกู่ม้าเป็นสุสานมาทรงของพระโอรสของพระนางจามเทวีเจดีกู่ช้างมีลักษณะรูปทรงที่แปลกตามีฐานเป็นฐานหน้ากระดานกลมสามชั้นก่อได้อิดสอดินชั้นนอกสอปูนฐานชั้นบนสุดเป็นฐานบัว รองรับเจดีย์ทรงกระบอกปลายสอบเข้าหากันก่อได้อิธรรมดารูปทรงของเจดีย์กู่ช้างเป็นแบบเดียวกับเจดีย์บอ่อบอขยีของพอมา่าคือมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกตั้งอยู่บนฐานกลม5ชั้นมีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวตรรษที่ 12, 13ส่วนเจดีย์กู่มาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเจดีย์กู่ช้างเป็นเจดีย์ก่ออิฐสอดินลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์ทรงกลม หรือว่าสงรงระคังด้านบนเป็นบาลังส่วนยอดหักหายไปแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องของพระนางจามเทวีซึ่งเป็นจอมกษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรลานนาครับก่อนจากกันวันนี้ให้ฟังเพลงที่ชาวลำพูนเขาแต่งขึ้นเพื่อเล่าขานตำนานเก่าแก่ของนครลำพูนและสดุดีพระนางจามเทวีประจกุกระทั่งทุกวันนี้ครับ